เรื่องเพศัตหในเวลาวิกาลร261สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายรับประเคนเพศัตหในการแล้วฉันในการโภชนอาหารชนิดธรรมดาที่ฉันประจำวันของภิกษุเหล่านั้นยังไม่อาจย่อยไม่จำต้องกล่าวถึงโภชนอาหารชนิดที่มีไขมัน ภิกษุเหล่านั้นจึงป่วยด้วยอาพาธที่เกิดในฤดูศาสตร์และเบื่อพัฒตาหารเพราะเหตุสองประการนั้นจึงสู้ผอมหมองคล้ำสีเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพังมากยิ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสถามท่านพระอานนต์อีกว่าอานนต์ทำไมเวลานี้ ภิกษุทั้งหลายจึงสู้ผอมหมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งท่านพระอาณนนท์กราบทูลว่าเวลานี้ภิกษุทั้งหลายรับประเคนเพสัตห้าในการแล้วฉันในการโภชนาอาหารชนิดธรรมดาที่ฉันประจำวันของภิกษุเหล่านั้นยังไม่อาจย่อย ไม่จำต้องกล่าวถึงโภชนาหารชนิดที่มีไขมันภิกษุทั้งหลายจึงป่วยด้วยอาพาธที่เกิดในฤดูศาสตร์และเบื่อพัฒตาหารเพราะเหตุสองประการนั้นจึงสู้ผอมหมองคล้ำสีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งมากยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมมีกถา เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รับประเคนเภสัชห้าฉันได้ทั้งในการและในเวลาวิกาล